วิชาพมมโลกมไม่ยากพรมบรมศาสตร์สดาคุยใส่เขาเพียงเรื่องสายพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นก็เป็นวิชาพมมโลกวิชานรกก็ไม่ยากประมาทพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นก็ถึงนรก ประมาทบุคคลที่เขาทำไม่เป็นธรรมนั่นท่านไม่ได้ว่าผู้ที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ประปาทไปหมดคือว่าศาสนาพุทธไม่มีค่านั่นแหละสร้างมหาเวิจในระกลกอยู่ที่จิตใจของตนลกจนไม่มองเห็นสิ่งที่ดีได้ชั่วโดยอุบายที่ชอบตายคาวานาภาวนาพุทโธ ไปเกิดในพมโลกตายคาภาวนาแล้วลึกถึงผีไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นเปรตเนี่ย เราประพฤตพรมอาจารย์ไม่หวังว่าจะมาแข่งดีจะมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายแข่งดีกับมนุษย์อยู่ในโลกแล้วประพฤติพรมอาจารย์เพื่อจะลาโลกต่างหาก เพื่ออยากจะลาออกจากสังคมแก่สังคมเก็บสังคมตายทะเลแก่ทะเลเก็บทะเลตายทะเลโรคทะเลกุดทะเลหลงต่างหากไม่หวังว่าจะมาอวดดีไปชันขันแข่งให้เป็นเวรเป็นไทยในวัตตาสงศ์จะอวดดีต่อกิเลสของตนจะสู้รบครบกัดกับความหลงของตนไม่สู้รบครบกัดกับความหลงของท่านผู้อื่น ไม่หวังเอาชื่อเอาเสียงกับท่านผู้อื่นเลือดทุกหยดเราจะน้อมถวายบูชาพระบรมศาสาาีรน ถ้ามีผู้ลังเกียดเบียดสีเขาฆ่ า, าให้ล่มให้ตายก็ดีเกลียบปวดทุกขเวทนาอาพาธกล้าก็าดีจะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อสุขทุกอุเบขกขาประตามซึ่งเป็นของไม่เมตยคจะถวายบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อ ขอให้พ่นไปจากทุกขอให้พ่นไปจากสุกขขอให้พ่นไปจากอุเบกขาไม่อยากจะมาไปเ ป, เปรตเฝ้าสุขเฝ้าทุกข์เฝ้า อ, อุเบกขาอยู่เพราะสุขทุกข์อุเบกขาอยู่ในอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้แตกสลายจะให้รู้ตามเป็นจริงด้วยทุกข์ก็จะรู้ตามเป็นจริงของทุกข์ สุขก็จะรู้ตามเป็นจริงของสุขสุขขี้เท็จอยู่ในวัฏจัทรศารอันนี้อุเบกขาก็อุเบกขาขี้เท็จนี่เพราะเห็ุได้เขาเกิดขึ้นเนีวแปรปวนแล้ ว, ว แ, ลแตกสลายเมื่อเธอสวยเวทนาใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดีเธอจงพิจนารณาตามเป็นจริงเหมือนดังหัวฝีเกิดขึ้นแนี่ก็แตกสลายสอนพมกคัณาสอนภาษารีบุตร เธอทั้งหลายจงพิจารณาให้เป็นความเบื่อหน่ายให้ใคลายกำนังเสียเถิดอเมื่อเธอทั้งหลายสวยเวทนาใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดีเธออย่าไปติดอยู่ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้ง อ, อุเบกขาเถื่อจงพิจารณาเหมือนโลกเหมือนดังหัวฝีเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายแต่เราภาวนาไปปัตนาสุข อยากให้มันบาเอยากให้มันเาาหาะขึ้นไปบนอากาศไม่รู้ว่าจะเหาะไปทําไมอย า, ไอยากจะไปสแสดงฤทธิ์สแสดงเดชเพื่อกินขนมเขานั่นแหละมันนานจะพ้นทุกข์ในวาตะท้องสารอยากจะดักใจทายใจเขาเพื่อเขาเรื่มเสแสริกินขนมเขาดักหรือไม่ดักก็ไม่เป็นปัญหานี่ เมื่อเขาไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเขาก็รู้จักเขาอยู่ไม่ใช่เขาไม่รู้โยมคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดพังงาเคยมาคบกับผมเคยเป็นภรรยาของนายอำเภอ เมื่อนายอำเภอไปไปเล่นสาวแล้วก็ทิ้งกันเลยเขาก็คนคนหนึ่งแล้วก็คนคนหนึ่งแล้วทิ้งกันทิ้งกันแต่นานแล้วหนายอำเภอท่านก็ตายไปแล้วแต่นานแล้วทีนี้เออมาศึกษาธรรมกับพระกรรมฐานแล้วกรราติ ก, ก็ผมนี่มากกว่เพื่อนเขาก็หลงปูถเทศ พราเก่งทันมากจะพูดอะไรก็เก่งว่าจะผิดก็บพาะอาจารย์ไม่ค่อยจะเก่งมากแต่ว่าเก่งแต่ว่าเคารพอยู่แต่ว่าพอที่จะไต่ถามได้ถ้าไม่เก่งมากเหมืนหลวงปู่เทศเก่งมากหลายก็เป็นทุกข์เขพูดอย่างไร น, นพราะไม่สนุกจะถามทีนี้ตื่นขึ้นมาเด็กคนหนึ่งเถียงกันแกมาเล่าให้ฟังเด็กคนนี้ไม่ไม่ล่างหน้า ที่นี่เด็กคนนั้นมันก็ไม่พูดที่นี่คุณมานัทพูดขึ้นว่าล่างหรือไม่ล่างมันก right ็รู้จ <nowhere ần oring> ักมันอยู nope, totally. ่ทําไมไปเถียงกันเขาเคยปฏิบัติกับพระกรรมฐานนี่เขาตอบอย่างจริงจังเลยล่างไม่ร่างมันก็รู้จักมันอยู่ทําไมถึงไปเถียงกัน นี่มันเป็นภาสิทธสำคัญเหมือนกันเราเป็นทหารต่อสู้สงครามโลกละเดียวนี่สงครามโลกก็คือกิเลสที่อยู่รอบเมืองใจของเรานี่เรียกว่าสงครามโลก แล้วก็สมัครเป็นทหารทุกวันนี่ไม่มีใครบอกเรามาบวช ด, ดอกเรามาบวชเองเขาเรียกว่าเราสมัครจะต่อสู้กับความหลงของตนเพราะโลคโกหลงมันยึดเมืองกิตเมืองใจให้เรามาเกิดแก่เก็บตายอยู่ในวัดท่าสงสารนมนานแล้วเราอยากจะต่อสู้กับมันมันจะ แท้จริงเพียงแค่ไหนเราอยากจะรู้กับมันเราเป็นนักรบเหมือนกันรอบด้วยมหาสติมหาปัญญาในเรื่องสายในพระพุทธธรรมประสงค์เป็นเครื่องสูจิตชูใจเป็นกำลังใจเมื่อถึงพระสวสดาบันแล้ว ไม่สงสัยในว่าพูดประธรรมระสงค์แล้วก็แปลว่าความไม่สงสัยอันนั้นไม่ขบทคืนก็แปลว่ายึดได้แล้วจังหวัดหนึ่งแล้วนะเขาไม่ขบทคืนได้อันนั้นเมื่อถึงพระะกาทาคามีทีนี้ ก็ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งไปกว่านั้นอกีกไม่ผูกเวรจองเวรกับใครไปอีกเรียกว่ายึดได้อีกจังหวัดหนึ่งแล้วนี่ไม่ขบทคืนเมื่อถึงพระอนาคามีที่นี่ความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยิ่งขึ้นอีก ก็ลบได้อีกเพราะกรรมมาลรไม่มีใน จ, ใจิตใจจิตใจเคยไปเข้ารูตรูดเขามันก็ไม่ไปมันไม่ขบคืนทีนี้ถ้ามันขบคืนอยู่มันก็ยังยังไม่ชนะนี่ก็ต้องสู้มันอยู่อย่างนั้นถ้ามันถ้ามันไม่ขบคืนก็เรียกว่าชนะแล้ว จิตใจถึงพระรหัต์ทีนี้ชนะสงครามร่างโลกหมดทีนี่เรียบหมดทีนี่ไม่ขบวนคืนละทีนี่ความหลงทั้งหลายชนะหมดแล้วข้ามทะเลหลงแล้วชนะหลงแล้วไม่ขบวนคืนอีกด้วยไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆทั้งสิ้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย ไม่เป็นเปรตไปเฝ้าอดีตไม่เป็นเปรตไปเฝ้าอนาคตไม่เป็นเปรตไปเฝ้าปัจจุบันถ้าว่าพระอรหันต์เป็นเปรตไปเฝ้าอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่พระอรหันต์ก็กล้องเป็นทุกข์เหมือนคนคุมนักโทษเหตุฉันันทุกข์จึงไม่มีเพราะไม่ได้หวงเหตุไม่ได้หวังผลเพราะไม่ได้สร้างเหตุเพื่อจะเอาผล พอสร้างพอแล้วเต็มแล้วไม่สงสัยในกิตในใจว่าคิตใจของเราตั้งว่ายังไงมันจริงจะถูกเราทำยังไงคิตใจของเราจึงจะดีไม่ได้สงสัยในกิจใจอีกด้วยเมื่อไม่สงสัยในคิดใจการรักษาใจก็ไม่มีเพราะมันไม่มีโทษรักษาทาไมถ้ามันไม่มีโทษก็ต้องรักษา เมื่อมือไม่มีแผลจะไปก ร, รมยาพิษมันก็ไม่ซึมเข้าก็ไม่จำเป็นจะรักษาเพราะมันมือมันมีแผลฉันใดก็ดีเมื่อกิเลสของท่านไม่มีแล้วท่านก็ไม่ได้รักษาจิตใจของท่านจิตใจของเราจะทายังไงมันจึงจะดีกว่านี้ท่านก็ไม่ได้ว่าเพราะมันไม่มีพิษใชแล้วเพราะไม่มีใครเข้าไปยึดถือ เขาเป็นเจ้าของใจก็ส่งคืนหฮะใจรุ่นรุนอดีตก็ส่งคืนหาอาดีตรุ่นรุ่นอานาคตก็ส่งคืนหาอานาคตรุ่นรุ่นี <Okay. S 1> โ้โลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันท่านรู้ด้วยเห็นด้วยรู้จากคุณค่าด้วยทั้งพ้นไปด้วย โลกอดีตคือกองทุกข์ท <Yeah. S 2> ี่ลงมาแล้วโลกอนาคตคือกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงโลกปัจจุบันคือกองทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่ถ้าข้ามไปหมดแล้วข้ามความสงสัยไปหมดแล้วไม่ติดอยู่ในโลกทั้งสามเมื่อม่ยืนยันเข้าไปสอดแทรกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วก็ไม่กลัวว่าอดีตจะเสียไปไหนก็ไม่กลัวว่าอนาคตจะหายไปไหนก็ไม่กลัวว่าปัจจุบันจะหายไปไหน ก็ไม่ยืนว่ายันว่าอดีตเป็นของตนหรือเป็นของท่านผู้อื่นก็ไม่ยืนยันว่าอนาคตเป็นของตนในของท่านผู้อื่นก็ไม่ยืนยันว่าปัจจุบันเป็นของตนในท่านผู้อื่นทีนี้ความกลัวกลัวกลัวแพร่กลัวชนะมันก็ไม่มีอีกทีนี้ความสำคัญว่าได้ว่าเสียมันก็ไม่มีนะครทยท่านทีนี้ท่านก็ไม่หวาดเสียวทีนี่ ถ้าไม่สงสัยในะโลกทั้งปวงด้วยปัญญาอันชัดโลกตาท่านก็ไม่สงสัยโลกหูท่านก็ไม่สงสัยโลกจมูกท่านก็ไม่สงสัยโลกลิก้นท่านก็ไม่สงสัยโลกตายท่านก็ไม่สงสัยโลกใจท่านก็ไม่สงสัยเพราะไม่ยึดท่านไม่ยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเสมอภาคเหมือนนากลองเลยจด้วยพระปัญญาอันชัด ความหวังในโลกใดๆของท่านก็ไม่มีความหวังในโลกตาก็ไม่มีความหวังในโลกหูก็ไม่ไม่มีความหวังในโลกจมูกก็ไม่มีความหวังในโลกลิ้นก็ไม่มีความหวังในโลกกายก็ไม่มีความหวังในโลกใจก็ไม่มีโลกภายในความหวังในโลกรูปโลกเสียงโลกกลิ่นโลกโลกรถโลกโหพภะโลกธรรมาลมก็ไม่มีในท่านอีกเหมือนกัน ข้ามโลกไปแล้วชนะไปแล้วท่านเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเสียแล้วดาบอนิจจังดาบทุกขังดาบอนัตตาเป็นเล่มเดียวกันสามอันนี่ลูกระเบิดปรมาณูอนิจจังลูกระเบิดปรมาณูทุกขังลูกระเบิดปรมาณูอนัตตา วางลงแล้วแตกสลายไปหมดนี่โลกเกเวาทูลู้แจ้งโลกแล้วรู้กแจ้งความหลงของตนแล้วเหยียบเรียบความหลงของตนแล้วชนะความหลงของตนแล้วไม่กลับคืนมาแพ้ อ, อีกทีนี้ ท่านก็พ้นไปเสียข้ามโลกาไปไม่มีรอยจิตใจลู้ตามเป็นจริงของอดีตของอนาคตของปัจจุบันไม่ติดอยู่ในกองนามลูกซึ่งเป็นของที่อยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขรั้งงานตา ท่านก็ข้ามโลกาไปไม่มีรอยข้ามความหลงของตนไปไม่มีรอยถ้าเราจะมุ่งแข็งดีแข็งเด่นอยู่ในวัดตากศสารานี่ในของภายนอกในวัตถุนิยมข็ให้ทราบเถิดว่าบารมีของเรายังอ่อนอยู่อย่านอนใจ ที่เลียงพี่แกนายรับสิ่งที่สำคัญว่าเราฉลาดนั่นแหละมันจะเป็นมีดปากคอเราเฉือนคอเรามีดเราเองเฉือนคอเราเองมันมีเครื่องทดสอบอยู่ทุกทุกชั้นของธรรมะ สัเพเลกเกอเพรลตะสัญญาจำไว้เนออย่ายินดีในโลกทั้งปวงเพราะว่าเรามาศาสนาสัญญาแปลความจำแลวก็สังขารเยซูอนิทะกะสัญญาจงหน่ายในสังขารทั้งปวงเสียเถิดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยทำชัูนสูก็พระอาศัยปัจจุบันเป็นเครื่องพิการา แต่ก็ไม่ถือว่าปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันอดีตเป็นตนตนเป็นอดีตอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตเป็นแต่สักว่าสมมุติกันในโลกเท่านั้นอดีตไม่ได้อยู่ในวงแขนของใครอนาคตไม่ได้อยู่ในวงแขนของใครปัจจุบันไม่ได้อยู่ในวงแขนของของใครเหตุฉะนั้นจึงว่าอติตาธรรมานาคาตาธรรมาปัจจุปปนาธรรมาเป็นแต่สักว่าธรรมเน้ออดีตก็ดีอนาคตก็เป็นแต่สักว่าธรรมเน้อปัจจุบันก็เป็นแต่สักว่าธรรมเน้อ ในคำภีของปลามัดไม่ไม่ใช่เราจะแข่งดีในการเดินการปฏิบัติพรมจันทร์ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะแข่งดีในการนั่งไม่ใช่เราจะแข่งดีในการนอน ไม่ใช่เราจะแข่งดีในการอดอาหารจะอะไรก็ตามเราแข่งดีกับกิเลสของเราต่างหากกับความหลงต่างหากแข่งดีกับโรคโกรธหลงต่างหาก พุทโธเพื่อข้ามความหลงพุทโธไม่พามาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายในวัฏฏะสงศารพุทโธมันให้ยินดีในเกิดแก่เก็บตายในวัฏฏะสงศารพุทโธสอนให้เคหลาบในวัฏฏะสงศารพุทโธไม่ได้สอนให้หลงร่างกระดูกว่าเป็นของสวยของงามธรรมโอทั้งโคก็เหมือนกัน พุโทโธไม่ได้สอนให้ติดอยู่ในสิ่งใดๆในโลกทั้งปวงพุโทโธสอนให้ยินดีในพระนิพพานให้ยินดีในทางพ้นทุกขนะ์นวัฏสงสารทัโมก็เมือนกันทั้งโขกขเมือนกัน รับคาพุทธโธเลยก่อนการวัดอยู่ก็ต้องบริธกรรมอย่างนั้นการฉันนาร้อนรีบพากันฉันแล้วก็รีบไปคลองคลายของมันอย่าไปคุยกันต่ออันไม่เป็นประโยชน์แต่ว่าคุยกันเรื่องธรรมะนั้นไม่ห้ามคุยกันในเรื่องโลกเรื่องสองสารก็ให้พอสมควรแล้วก็ต้องปตรี ก, กันไปเลย ในการงานที่เกี่ยวข้องกับวัดของเราเนี่เท่านั้นเรื่องอื่นไม่จำเป็นหรอกสำหรับน้าก็สะดวกและเดี๋ยวนี้พอเป็นไปได้แ ล, แล้วพระบรมศาสดาเวลาเย็นลงไปสู่ไม้มหาโพธิ์ลงไปสู่แม่น้าพุทธคยาแล้วสงสงแลว้วก็กลับคืนมาต้นมหาโพธิ์ อยู่คนเดียวเปลี่ยกายาไม่มีใครร่างกระถุนให้เลยไม่มีใครไปเคนขามปอมสมอให้เลยไม่เหมือนพวกเราทุกกว่าพวกเรานี่ด้วยจึงได้วิชามาสั่งสอนพวกเรา6กปีไปเรียนกับอาลารลดาบทและอุตกกรด า, าบทรามบุตรหนะึ่ง เป็นเพียงสมาบัดเจ็สมาบัดแปดไม่ใช่หนทางเข้าสู่พขานิพพานไม่เป็นทางพ้นทุกข์พระบรมศาสดามันเนี่นั่งนั่งเก้าอี้คัดค้านหน้าเดียวเหมือนคนทุกวันนี้คนทุกวันนี้ตนมาได้ปฏิบัตินั่งคัดค้านเลยพระบรมศาสดาลองปฏิบัติดูเสียก่อนถ้าไม่ใช่ทางจึงคัดค้านคนทุกวันเนี่ยหาทิ้งทางคัดค้าน เหตุฉะนั้นมันจึงวุ่นวายกันอยู่ในวัตาทสงสารนี่ลองปฏิบัติดูเสียก่อนไม่ไม่เอาคัดคาดมาเป็นวิชาหากินผู้ถือพระพุทธศาสนาผู้เขาแลพระพุทธศาสนาปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ก็คือผู้เอามือลงเขียนผู้คัดคาดก็คัดคาดกันว่าเอาเท่ามาลบ ที่เขากำลังเขียนอยู่นั่นคนหนึ่งเอามือเขียนคนหนึ่งเอาเท้าไปลบเอาตีนไปลบผู้ค้าข้ามพระพุทธาศาสนาก็อย่างนั้นค้ายๆาวก็ว่าคนหนึ่งนั่นแกวเรือ คนหนึ่งก็กลางขาลงโต้น้าคนหนึ่งเอามือเขียนคนหนึ่งเอาตีนมาลบเอาเท้ามาลบเหยียบขี้ซ้ำเยียบขี้หมามาลบอีก ภาษาีบุตรทำไมถึงมีปัญญามากเพราะในพบก่อนก่อพภาษารีบุตรเทิดทูนคำสอนของพระบรมศาสดาเมื่อในประมาทเลยเหตุฉะนั้นจึงเป็นผู้มีปัญญามากกว่าเพื่อนภาษารีบุตร จึงสามารถนับเม็ดหินเม็ดทรายได้นับเม็ดหินเม็ดทรายมันก็ไม่ยากหนึ่งดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมเท่านั้นนับลงมาเป็นหนึ่งเป็นภาษาไทยนับนับน้ำดูสิหนึ่งน้ำเท่านั้นแหละแต่นับเป็นภาษาไทย ถ้านับเป็นภาษาโมโคตเอกปทวีธาตุเอกอาโปธาตุถ้านับน้ำลงมาเป็นหนึ่งจะนับหนึ่งสองสามไม่มีใครเป็นกรรมการไปฟังหรอกตั้งแสนต่างหมื่นก็เหมือนกันสัพัทุกเงื่อลงมาเป็นเอกทุกในปัจจุบัน ถ้าพระสังขารย้ยวลงมาเองเป็นเอกะสังขารในปัจจุบันเมื่อย้อนสังขารลงมาในปัจจุบันแล้วเราก็ไม่สงสัยสังขารอีกเมื่อย้อนทุกข์ลงมาในปัจจุบันทุกข์แล้วเราก็ไม่สงสัยในทุกข์ที่ปัจจุอยู่ในโลกอีกด้วยอยู่ในสังขารอีกด้วยนี่ คำว่ า, าโรกโรค ก, ก็บัญจูแต่ทุกข์เท่านั้นเมื่อรู้จักว่าโลกบัญจุทุกข์แล้วหรือบัญจู อ, อนิจจังแล้วหรือบัญจูแต่ดินน้ำไฟลมหรือบัญจูแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วทีนี้ความสงสัยในโลกทั้งปวงมันก็ไม่มีเมื่อความสงสัยในโลกทั้งปวงมันไม่ไ ม, ม, มีปัญหาของเราก็ไม่มาเสียบแทงเราอีก เราก็ไม่นัาในปัญหาที่จะพุ่งขึ้นมาให้แก้ถึงจะตรุงแต่งปัญหาของตนงขึ้นมาแก้มันก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ปรุงแต่งเพราะมันรู้ชัดแล้วมันเป็นภาวนามนะญญาย ต, ม ป, ตามายปัญญาอยู่ในตัวมันเป็นจินตมามะยะปัญญาอยู่ในตัวมันเป็นสุตตมยะปัญญาอยู่ในตัว ทำลายกิเลสกับทำลายความหลงก็อันเดียวกันใครเป็นผู้ทำลายกิเลสใครเป็นผู้ทำลายความหลงก็พระสติพระปัญญาภาพสติพระปัญญากับพระพูดผู้ทำประสงค์ก็อันเดียวกัน การพิจารณาอยู่นนเนืองกับการปฏิจจบัติอยู่เนืนเอก็อันเดียวกันประพฤติเด็ดเดี่ยวประพฤติเคร่งคือประพฤติยังไงคือพิจารณาเนือพิจารณาที่ต่อเรียกว่าเรียกว่าประพฤติเคร่งเรียกว่าประพฤติเด็ดเดียวไม่ใช่อาการประพฤติเด็ดเดียวก็ต้องวิ่งรอบภู ต้องอดอาหารจนโชซีภาวิตาพระหงคลีกตาทำให้มากพิจารณาให้มากให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดสายถ้าจะกระทาคามีพระอนาคามีบางกันาพวก พิจารณไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพรที่เจริญฝ่ายอนิจจังเพระที่เจเจเจริญทุกข์ก็พิจารณาทุกๆุกทอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนต้องกลงเข้ากลมออกและขณะจิตที่นึกคิดผู้พิจรณาอนัตตาก็พิจารณาอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน เชนพวกสัตยาเจริญก็พิจณาพุทโธยังไม่มีกลางวันกลางคืนติดต่ออยู่ไม่ขาดสายที่พิจณายังไม่มีกลงวันกลางคืนกับเดินทางอยู่ไม่ไม่หยุดไม่หย่อนก็มีความหมายอันเดียวกันเดินทางใจท่านจึงเปรียบเหมือนหนทางภายนอกอมักโคมักขังแปลว่าหนทางหนทางทา ง, ทางใจ มาเทียบใส่หนทางด้วยฟีเท้า เ, เพราะเป็นบุคลาธิฐานเยือธรรมธิษฐานอาละ่ะที่นี่หยุดกันเถอะเหนื่อยแล้วพูดไปไหนมันก็มมยไปหอกมาหาผู้ฟังกับผู้พูนี่น